เริถามาเพราะว่าที่นี่มีมีแม่ยิงหลายท่านเยอะเป็นจวนใหญ่นะครับลองดูซิว่าผู้หญิงที่สำเร็จพระอรหันนั้นเนี่ยท่านมีความคิดท่านมีมีคาถายัางไงบ้างนะครับเลือกไปเลือกมานะครับรู้สึกชอบใจคำนี้เพราะหนุ่มหนุมชอบอ่านเรื่องกามนิษย์ ก็ปรากฏว่าวาสิทธีเถรีคาถ า, าไม่เลวนะวาสิทธีเถรีคาถาแต่คนละคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ครับไม่ใ ช, ใช่คนนั้นคนนั้นฝรั่งแต่งขึ้นฝรั่งคนนั้นอ่าเป็นชาวเยอรมันนะแตง่ง แต่งกรรมนิดขึ้นอะแล้วเราเขียนโคเสดไปแปลมาอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ารู้สึกว่าชาวเยอมันนั้นได้ศึกษาพระพุศาสนาไปไกลโขเหมือนกันนะเพราะเขียนตอนท้ายๆมีเกี่ยวกับเรื่องกรรมนี้กับวาสิถีนี่นิพพานเหมือนกันนะนะฮะแต่แต่เขียนตอนนั้นเราก็อ่านไม่รู้เรื่องน ะ, ะแล้วก็เขียนถูกก็ผิดก็ไม่ทาเหมือนกันอ่าเรื่อง วาสิถีเถรีคาถานะอ่านดูประวัติก่อนนะอัตคกถาท่านกล่าวถึงประวัติไว้นะท่านบอกว่าพระเถรีแม้รูปนี้ก็บำเพ็ญบารมีในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพ น, นันนันนะ แสดงว่าทุกองค์เลยนะครับที่มีการสั่งสมบารมีมานานนะีมีธรรมะเครื่องปรุงแต่งวิโมกที่รวบรวมมาโดยลําดับนะครับมีธรรมะเครื่องปรุงแต่งวิโมกที่รวบรวมมาโดยลําดับนี่แสดงว่ามีแสดงว่าเรื่องปัญญาเป็นเรื่องของสังขารธรรมนะมีการปรุงแต่ง นะการที่จะมีปัญญาถึงขั้นถึงโลกุตระมักโลกุตระม ก, ก, ม ก, มกจิตผลกจิตนี่ต้องต้องเรียกว่ามีการปรุงแต่งมาสะสมมานานนะครับปรุงแต่งวิโมกที่รวบรวมมาโดยลําดับนี่วิโมกก็คือการหลุดพ้นนะครับเที่ยวเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเยแต่สังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะไม่ว่าพัทธะระเทรีนี่นะครับ ไม่เคยเห็นมาจากนรกเลยครับไม่ไม่ไมค่อยมีฮะมีแต่วนเวียนอยู่ในสุกติภูมิเนี่ยครับ พ, พ, พระภาษาพวกที่สาคัญสาคัญนะครับตั้งแต่อ่านมายังไม่เคยเจอเลยครับนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นมนุษย์คือไม่ใช่ว่าท่านไม่ไปอบายไปแต่ว่ามันมันไม่น่าสนใจ งั้นเลยครับเจนพนอย่างพระโมคคัลลาน่าเนี่ยก็ทุบแม่ก็ตกนรกก็ตั้งบ่อยมากนั่นแหละแต่ในที่นี้มันก็ติดกล่าวไว้นะเจนพอรก็เรียกว่าเน้นการสร้างบารมีซะส่วนใหญ่นะคร<อ>ับไม่ค่อยได้เน้นลักษณะของการไปสู่อบายทุกขติวิบีบาสถ้าหากว่าไปสู่อบายนั้นจะเอาตัวอย่างของอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้มีจิตฝักใฝ่ในด้านนี้เลยแสดงว่าคงจะแวะไปบ้างนะอ๋อเจนพน <G ül üyor> ก็กเรีว่า น, น่ากลัวนะครับเที่ยวเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในทั้งหลายและในพุทธทุปปบาทตการนี้หมายความว่าในในชาตินี้นะฮะในชาตินั้นนะฮะก็ไปบังเกิดในเรือนแห่งตระกูลกรุงเวสาลีเจริญวัยแล้วมารดาบิดาก็ยกให้กุลบุตรผู้มีชาติเสมอกัน หาคู่ให้มีสามีแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขกับสามีนั้นดูน่าจะดีนะได้บุตรคนหนึ่งนะนี่คงจะน่ารักนะได้บุตรคนหนึ่งเมื่อบุตรนั้นตายในเวลาที่วิ่งเล่นได้ยังเล็กอยู่เลยนะลูกตาย ถูกความเศร้าโศกถึงบุตรบีบคั้นก็กลายเป็นบ้านที่ประวัตินี่นี่ประวัตินี่แต่ละท่านนี่แปลกๆทั้งนั้นเลยนะแล้วเป็นแล้วก็มีให้เห็นในในปัจจุบันนี้ด้วยเนี่นี่ความทุกข์บีบคั้นถึงกับเป็นบ้านเนี่ยนี่นี่อะไรนะครับพัดพราจากสิ่งที่รักใช่ไหมครับเป็นพานทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพรากจากของของรัก น, นะ ม, มันมันขนาดนั้นนะครับเจ็ดปันถ้ารักมากก็ทุกมากหน่อยรักน้อยก็ทุกน้อยหน่อยยิ่งสมัยนี้เขามีลูกกันคนเดียวนี่นะครับสมัยนี้ก็มีลูกกันคนเดียวนะครับท่านครับจะได้ทุกครั้งเดียวไลย <c oughs> คือยิ่งคือยิ่งปักใจมากแล้วก็หวังมากนะถ้าลูกตายนี่โอ้โหเรื่องใหญ่เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ารักก็มีรักเก้าสิบเก้ามันก็ทุกเก้าสิบเก้าถ้ารักเก้าสิบแปดมันก็ทุกเก้าสิบแปด ถามีหนึ่งมันก็ทุกหนึ่งอะทุกครั้งเดียวก็กลายเป็นบ้าเมื่อมูย่าติและสามีช่วยกันเยียวยาแก้ไขแต่ก็หนีไปหนีนะฮะหนีไปเมื่อคนเหล่านั้นไม่รู้ก็หมุนออกไปเพราะความบ้าแล้วถึงมิถิลานครเนี่ยคือว่าเป็นบ้านแล้วก็กระเจิดกระเจิงไปนะไปถึงเมืองมิถิลานครนะ ได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐทรงฝึกรักษาพระองค์แล้วสำรวมอินทรีย์ตรงนี้ต้องแปลผิดแน่เลยนะฮะเราผ่านไปแล้วกันมาว่าเจอพระพุทธเจ้าแล้วกันนะกำลังเสด็จในระหว่างถนนในมิถิลานครนั้นนะครั้นเห็นแล้วก็หายบ้าแสดงว่าพุทธานุภาพนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ ผมเชื่อว่าด้วยอนุภาพของพระพุทธาูปนี่นะฮะแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายด้วยสำหรับพระเถรีองค์นี้ใช่ไหมครับหายบ้าทันทีนะครับผมเชื่อนะฮะได้ปกติจิตพร้อมกับการเห็นเพราะพุทธานุภาพนี่บอกไว้แล้วครั้งนั้นพระศาสดาทรงสแสดงธรรมแก่น า, นางโดยย่อๆนะะนางได้ฟังธรรมนั้นแล้วกลับได้ความสังเวชทูลขอบวช กับพระศาสดาขอบวชเลยนะครับได้บวชในภิกษุณีทั้งหลายตามพระดำรัสสั่งของพระศาสดาก็ต้องไปบวชกับพระภิกษุณีนะเป็นผู้หญิงนะทำกิจเบื้องต้นแล้วก็ได้เริ่มวิปัสนาภาคเพียรพยายามไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีโอ้โห ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราเห็นขอทานไหนก็เจกิกระเจิงมานี่อย่าไปดูถูงนะไม่แน่น ะ, ะเพราะมียานแก่กล้าพิจารณาการปฏิบัติของตนแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่านะข้าพระเจ้าถูกความเศร้าโศกถึงบุตรบีบคั้นนี่เป็นคาถาของเป็นคําอุทานของพระพระเรีนะครับวาสิถีเ ท, เทรีนะครับ ข้าพเจ้าถูกความเศร้าโศกถึงบุตรบีบคั้นมีจิตฟุ้งซ่านหมดความรู้สึกเปลือยกายสยายผมนี่ไม่ใช่บ้าธรรมดานะบ้าลึกที่นู mm ่ hmm. เที่ยวสมสารไปตามที่ต่างๆข้าพเจ้าได้เที่ยวไปในถนนกองอยากเยื่อในป่าช้าในตรอกใหญ่ตรอกน้อย อดอดอยากๆยา ก, อ ย, ากอยู่สามปีโอ้โหไม่ใช่ธรรมดา น, นี่เนี่ยนะสมปีภายหลังได้พบพระสุคต์เห็นไหมพอถึงอ่านถึงตรงนี้นะถ้าเรามีข้อมูลดีๆนะเราก็จะทราบซึ้งกว่านี้นะภายหลังได้พบพระสุคตหมายความว่าไงครับพบพระพุทธเจา้าใช่ไหม แล้วทำไมชื่อสุคตแล้วครับสุคตนะถ้าหากว่าเราจเจริญพุทธคุณนะเราจะเจอคํานี้นะครับสุกโตนะครับได้ภายหลังได้พบพระสุคตสุปว่าบว่าดีสุคัตะแปลว่าไปไปแล้วนะครับอเออพระพุทธเจ้าไปดีไปยังไงนะภายหลังได้พบพระสุคตแสดงว่า สำนวนต่างๆนะพยายนชนะต่างๆนะในในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่เขียนไม่ใช่เขียนง่ายๆหรือว่าเขียนแบบเรื่อยไปยงี้นะเพราะว่านี่เป็นเป็นคาถาเป็นเป็นกึ่งคําประพันธ์นะฮะเพราะฉะนั้นเขียนด้วยข้อความที่ลึกและข้อความที่มีความหมายกว้างมีมีความหมายที่ลึกนะเช่น แทนที่จะบอกว่าภายหลังได้พบ พ, พระพุทธพระผู้มีพระภาค ก, กับบอกว่าได้พบพระสุคตเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่เข้าใจคํานี้ก็จะเข้าใจว่าพระสุคตเนี่ยหมายความวา่าพระองค์ได้เสด็จไปดีแล้วนะครับเช่นพระองค์จะเด็จไปไปไหนไปในอริยมรรคนะไปคือสู่อริยมรรคเช่นนี้นะครับหรือว่าพระองค์นั้นนะ มักจะเข้าผลสมาบัติเนี่ยพระองค์ตอนที่พระองค์เทศเนี่ยพระองค์ก็แวะไปเข้าสมผลสมาบัติมินิพานเป็นอารมณ์นะนี่นะครับไปดีแล้วหรือว่าพระองค์ว่าไม่ว่าจะไปไหนนะมีแต่ไปเกื้อกูลสัตว์นะครับไปไปสั่งสอนไปช่วยเหลือนะไปด้วยความกรุณานะครับนี่ก็ไปดีทุกครั้งเลยแม้แต่ครั้งสุดท้ายที่เสด็จตับขันพลเรนิพานก็ไปปลดอยูพัธะนะครับคือการไปจริงๆก็มีความหมายว่าไปจริงๆเหมือนกันนะครับที่เขาบอกไว้เงี้นะครับ หรือว่าไปนะไปสงเคราะห์นะครับะะหรือว่าไปแบบไม่กลับมาอีกเลยคือว่าหมดกิเลสแล้วไม่กลับมาอย่างเราอีกแล้วอย่างนี้ก็เป็นความหมายอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่เข้าใจความหมายเหล่านี้ก็จะทําให้อ่านแล้วทราบซึ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็บอกว่าภายหลังได้พบพระสุคตผู้ฝึกบุคคลที่ยังไม่ได้ฝึกนะเห็นไหมบัญญัติต่อไปได้ว่าพระผู้อภิเษกนั้นเป็นผู้ฝึกบุคคลที่ยังไม่ได้ฝึกนะ มีความสามารถในเรื่องการฝึกบุคคลเป็นชั้นหนึ่งทีเดียวนะครับฝึกบุรุษที่สมควรฝึกนะไม่ใช่ฝึกทั่วไปเละเท่ไม่มี ม, ม, มีนะอย่างคนที่ไม่สมควรฝึกก็หมดจิตเหมือนกันนะแต่บุคคลที่สมควรฝึกพระองค์ฝึกได้หมดเลยไม่ว่าบุรุษคำนี้ก็รวมหมดเลยนะตั้งแต่เทวดาลงมาเลยถึงมนุษย์แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเขาฝึกนะเพราะฉะนั้นฝึกหมดเลย เป็นอามนุษย์เป็นยักษ์ก็ฝึกฝึกได้หมดพระอินยังฝึกเลยฝึกเป็นนุ่นเลยเป็นพระโสดาบันเลยนะพระอินนี่ฝึกหรือว่าพวกพรามพรามต่างๆเช่นพรามที่จังกีพรามก็ดีหรือว่าเอา่อพรามที่คลองเมืองมีไหลไหลไหลพรามก็ น, นะครับก็ฝึกได้ฝึกได้หมดเลยเนะี่ยกระสุกกระส่าย ท, ที่ฝึกหมดนะียฝึกได้สําเร็จหมดนะี น, นั่นสิครับของเรานี่ยมารู้จัก ฝึกสำเร็จไหมนะฮะทำตัวให้ดีหน่อยนะฮะคือเรื่องการฝึกนี่นะเป็นเรียกว่าเป็นอ่เป็นความสามารถพิเศษนะครับอยู่ในพุทธกลุ่มือวกันนะปุริสธรรมสาลถิเนี่ยแหละครับมีความสามารถในการฝึกนะเพราะองค์เนี่ยนะฮะเคยเข้าไปถามนักฝึกมาครับชื่อชื่อนายเกศีใช่ไหมครับ นักฝึกมาผู้มีความสามารถในการฝึกมาเรียกว่าทำ ม, มาออกจากสำนักนี้แล้วก็คอกนี้แล้วก็โอ้โหแจ๋เลยนะครับมีความสามารถในการฝึกในเมืองสาวัตถีพระภูมิภาคก็ไปถามบอกว่าเออนี่เกสีแกมีวิธีฝึกยังไงบ้างนะํามาเกสีบอกว่าข้าพเจ้ามีฝึกสามอย่างหนึ่งฝึกโดยค่อยๆละม่อมละม่อมอีกอย่างหนึ่งนะฝึก ฝึกอย่างรุนแรงเลยนะฝึกอย่างรุนแรงอีกอีกอย่างทั้งสองอย่างเลยทั้งละม่อมทั้งรุนแรงด้วยนะนะเู้ชาบอกเออตถาคตก็ฝึกบุรุษอย่างนั้นเหมือนกันนะบอกเออแล้วก็เกิดฝึกไม่ได้เป็นไงเกสีบอกว่าข้ามันทิ้งเลยนะบอกข่ามาทิ้งเลยตัวนั้นะเสียชื่อเอาไปขายพระองค์บอกเออตถาคตก็ฝึกอย่างนั้นเหมือนกันนะนะเกษีบอกอ้าว ก็พระองค์ไม่ฆ่าคนไม่ได้ไม่ใช่เหรือทัณฑน า, นาติบาหนี้พระองค์บอกใช่บุรุษบางท่านนั้นก็ฝึกโดยละม่อมบางคนก็ฝึกโดยรุนแรงบางคนก็ฝึกทั้งสองอย่างแต่ถ้าฝึกไม่ได้พระองค์ก็เลิกฝึกเลยนี้เป็นการฆ่าตามแบบพระวินัยของพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นเราอยา่าอย่าให้พระองค์ทอดทิ้งเราอย่างนั้นเนสียมวยเลยะ เพราะนั้นข้อความนี้น่ก็น่าสนใจนะครับคือว่าเป็นผู้ฝึกบุคคลที่ยังไม่ได้ฝึกตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเห็นไหมพอกล่าวถึงพระพุทธเจ้านี่นะกล่าวถึงพระคุณตั้งสามอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านอ่านพระสูตรแล้วนี่นะเราก็จะได้ความทราบซึ่งด้วยนะครับตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนี่ตรัสรู้อะไรครับนะตรัสรู้คือตรัสรู้สัจจสีนะนะ่ะอริยสัจสีนะครับ ตัดจะรู้ด้วยพระองค์เองเนะียหาภัยแต่ที่ไหนไมิได้เออตรงนี้ผมสงสัยนะตรงนี้พบผมยังไม่ค่อยอันไนอ้อัตถาก็เหม็นมีนะมาความว่าไงครับท่านท่านนึกออกไหมคือคําว่าภัยนั้นเป็นเชื้อของสิ่งที่น่ากลัวนะแล้วก็ความหวาดกลัวพระพุทธเจ้านั้นในตัวพระองค์เองนะั้นไม่มีความสะดุ้งกลัว แล้วไม่มีอะไรทำให้พระองค์น่ากลัวแม้แต่อย่างเดียวอันคำว่าภัยนั้นก็คืออันหนึ่งนะความผลพองสยองก้าความหวาดกลัวในจิตหรือความสะดุ้งของจิตสองสิ่งที่น่ากลัวอ่าสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่มีความสะดุ้งแห่งจิตก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เห็นว่าอะไรน่ากลัวสักอย่างเดียวใในเฉพาะพระองค์เองนะพระองค์เองเนี่ยไม่มีน่ากลัวเลยแต่ว่า พระ อ, องค์รู้นะว่าถ้าสัตว์เนี่ยควรกลัวอะไร น, นพระ อ, องคก์ก็สอนอยู่เหมือนกันเช่นภัยต่างๆครับตรงนี้ก็แต่ผมเดาๆเอานะผมบอกว่าหาภัยแต่ที่ไหนไม่ได้หมายความว่าภัยในวัดตาข้างหน้าเนี่ยหมดไปแล้วําหรับพระ อ, องค์เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบผมเดาๆเอานะคือคือคําว่าภัยนั้น <c oughs> แปลโดยศัพท์แปลว่ากลัวครับออสรุปแล้วคือว่า เจอพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จสู่ไปสู่กรุงมิถิลานี่เป็นการบังเอิญหรือเปล่าครับไม่มีหรอกครับผมรับรองได้เลยครับเพราะเสด็จไปดีแล้วสุขโตเนี่ยพระองค์จะต้องมียานอย่างรู้แล้วมาที่นี่ต้องเกิดประโยชน์จะต้องนี่นะครับต้องมีได้เถรีได้พระเถรีพะรอพะอหาหนรอีกองคหนึ่งเนี่ยนะฮะ เมื่อพบพระมุยภาคแล้วกลับได้สติเข้าไปถวายบังคมพระโคดมพระองค์นั้นนพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดข้าพเจ้าด้วยพระกรุณาข้าพเจ้าฟังธรรมของพระองค์แล้วออกบวชไม่มีเรือนเป็นไงครับบวชไม่มีเรือนก็ไม่มีเนาะบ้านไม่มีแล้วบ้านไม่มีแล้วทิ้งบ้านแล้ว ไม่มีครอบครัวว่างั้นเถอะเพียรพยายามในคําสอนของพระศาสดาได้ทําให้แจ้งซึ่งบทธรรมอันรุ่งเรืองเกษมนะครับทําให้แจ้งนี่เขชัดเจนอยู่แล้วนะครับคือบรรลุนะครับซึ่งบทธรรมอันรุ่งเรืองเกษมในอัธกถากล่าวว่าบทธรรมอันรุ่งเรืองเกษมก็คือพระนิพพานที่ไม่ถูกโยคะสีเบียดเบียน อันนี้น่าสนใจนะครับที่ไม่ถูกโยคะสี่เบียดเบียดเนี่ยโยคะสี่โยคะสี่ใครจำได้มึงนะกามโยคะกามโยคะแล้วอะไรครับทิ ท, ทิโยคะคบอะไรนะ ไม่ใช่ครับเพราะว่าโยคะพบเพราะว่าโยคะและอะไรครับอวิชายโยคะนะครับแสดงว่าผู้ที่ไม่สําเร็จแสดงว่าถูกไอโยคะสีน่นี้ใช่ไหมครับที่มันที่มันยึดติดไว้ที่มันผูกติดไว้น ะ, ะท่านบอกว่าได้ทําให้แจ้งซึ่งบทธรรมอันรุ่งเรืองกเกษมนะในอะัตถาบอกว่านิพพานที่ไม่ถูกโยคะสี่เบียดเบียน ได้แก่กามโยคะนะครับกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะแล้วก็อวิชาโยคะซึ่งอยู่ในโยคะสูตรนะโยคะสูตรเนี่ยผมมีความประทับใจอย่างหนึ่งนะโยคะสูตรนี่นะครับโยคะสูตรมีอะไรบ้างครับหนึ่งถ้ากามโยคะนี่เห็นชัดเจนใช่ไหมครับนะกามโยคะท่านพระองค์กล่าวว่า บุคคลบางคนในโลกนี้นะครับไม่เห็นกรามตามความเป็นจริงไม่เห็นการเกิดขึ้นไม่เห็นการดับไปไม่เห็นคุณของกรรมไม่เห็นโทษของกรรมไม่เห็นอ่ไม่เห็นการเกิดไม่เห็นการดับไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษไม่เห็นการสลัดออกจากการมตามความเป็นจริงผู้นั้นย่อมยินดีในกรมเพลิดเพลินในการม สยบในกาลมกระหายในกาลมหมกมุ่นในกาล์มแสวงหากาลมนี่เรียกว่กากามโยค่ะคงไม่สงสัยนะอันนี้ชัดเจนดีแล้วเกินนะครับใครบ้างครับยังไม่ไม่เพิดเพลือในกามมีไหมไม่มีแล้วครับอานะีนี้บรลบอลมาดูทิถีม้างนะครับทิถีโยค่าเป็นไงครับ บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่รู้ทิฏฐิตามความเป็นจริงนะครับไม่รู้การเกิดการเกิดนี้ไม่ใช่อุปาทานะครับสมุทัยะนะครับแสดงว่ามีเหตุจึงเกิดเช่ครั้นคำว่าการเกิดขึ้นนี่ครับสมุทัยะนะการดับการดับนี้อัดถังเขามะ นี่ก็ไม่ใช่ว่าอุปาทิติพัง้ะไม่ใช่พัง้ะนะครับการไม่รู้ทิฐิคือไม่รู้การเกิดคือไม่รู้สมุทัยะการเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยนะครับแล้วก็ไม่รู้การดับอัดถังขมานี่ไม่รู้ว่าการดับเพราะว่าเหตุปัจจัยมันหมดแล้วมันดับแล้วก็ไม่รู้คุณคืออัสาธะไม่รู้ทษคืออาทีนวะไม่รู้วิธีที่จะสลัดออกคือนิสรณะ นะครับถ้าไม่รู้อย่างนี้นะครับย่อมยินดีในทิฏฐิทิฏฐิคืออะไรครับความเห็นผิดนะสมมุติว่าเห็นผิดในข้อปฏิบัติธรรมเนี่ยนะฮะไม่ว่าสำนักไหนหรอกครับสมมุติเราอยู่สำนักหนึ่งแล้วเอาตรงไหนก็ได้แล้วแต่นะนะต้องมีสำนักสังกัดอยู่นะลองไปถามดูครับเมื่อเขา ปฏิบัติทำอย่างนั้นอยู่ในสํานักนั้นเนี่ยแน่นอนเขาต้องคิดว่านี่เป็นทางที่ถูกของเขาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถูกหมดทั้งประเทศไม่ได้นละ้วอันนี้เพราะฉะนั้นทิฏฐิที่มันผิดก็ต้องมีแน่นอนใช่ไหมแต่เขาไม่รู้ผิดใช่ไหมเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้การเกิดไม่รู้การดับไม่รู้คุณไม่รู้ทโทษไม่รู้การสลัดออกตามความเป็นจริงย่อมยินดีในทิฏฐิทุกคนครับถ้ามีทิฏฐิย่อมยินดีครับย่อมเพลดิดเพลินในทิฏฐิ นะฮะย่อมสยบในทิฏฐิย่อมแสวงหาย่อมกระหายในทิฏฐิย่อมกลัดกลุ่มในทิฏฐิบางครั้งกลัดกลุ่มนะครับจะเกิดไปโต้เถียงกับใครนะครับนะป้องกันด้วยนะใครยัมาบอกทิฏฐิฉันผิดนี่ไม่ได้นะป้องกันโอโ้โหน่าดําหน้าแดงทีเดียวนะใครยัมาบอกผิดไม่ได้เลยนะนะกลัดกลุ่มหมกมุ่นในทิฏฐิอืแสวงหาในทิฏฐิ นะครับเพราะฉะนั้นนะคําว่าทิฏฐิเนี่ยครับเห็นชัดเลยว่ามันผูกเราไว้อ่ะถ้ามันเห็นผิดนะมันก็ผูกเอาไว้ในวัตฏะเนี่ยมันไม่เห็นถูกอะ่ะมันก็ผูกเอาไวอ้อ่ะแล้วก็ทิฏฐินี่นะมันผูกมันแน่นหนามากเลยนะยากมากเลยผมกลัวที่สุดในบรรดากิเลสทั้งหลายนี่นะผมกลัวที่สุดเลยทิฏฐิเนี่ยนะอธิฐานทุกทียายเห็นผิดเลยยายเห็นผิดเลยเนี่ยนะเพราะกลัวมากเลยทิฏฐิมันติด ตัวไปในสังสารวัตรนันยาวนานมากเลยนะแกะยากแม้แต่พระผู้วิพากษพระองค์ก็บางบางท่านพระองค์ยังแก้ไขไม่ได้เลยนะครับทิฏีเนี่ยแล้วลองคิดดูนะในสังสารวัตรยาวน า, นานเนี่ยเราบางประวัติภาษาวกบางองค์เนี่ยก็ยังไปเกิดในครอบครัวมิจฉาทิฏิแล้วยังเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนผิดผิดมิจฉาธิฏิด้วยเยอะแยะไปใช่ไหมครับ มีตัวอย่างมั้งไหมครับก็ที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะอย่างเช่นชัมพูกะชีวกเนี่ยอาชีวกคนหนึ่งอ่ะที่ที่เรียกว่ากินอากาศอ่ะหลอกคนชาวบ้านเขาว่าตัวเองเนี่ยกินอากาศได้ยืนเท้าข้างเดียว่ะถ้าเหยียบสองข้างแล้วแผ่นดินรับไม่ไหวกคืนนี้แอบไปกินดุจละอืถือว่าตัวเองเนี่ยมีเดชมากนะงั้นแล้วก็ถือว่าการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยไม่ธรรมดาอ ก็บอกว่าที่ต้องไปทําแบบนั้นเพราะเคยไปด่าพระอาหารหันต์เอาไว้ดังนั้นการท่องเที่ยวอยู่ในวัดตาเนี่ยถ้าหากว่าเผลอไปทําบาปอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่ชาติสุดท้ายแหละพระองค์คุริมานก็ยังไปถือดาบใช่ไหมฆ่าคนอื่นเขาดังนั้นกิเลสทุกสายนะั้นถ้าได้ปัจจัยแล้วเนี่ยมันเผาผลาญหมดเลยบางองค์แม้แต่มีอุปนิสัยอรหันต์แล้วบางทีมานะก็เล่นงานอย่างมากมายมหาศาล หลายองค์ก็ถูกทิฏฐิเล่นงานมากบางคนก็ถูกพวกอุทจฉาเป็นต้นเล่นงานอย่างในเทรีคถานี้ใช่ไหมอุทจฉามันเล่นงานก็ทําให้กับเป็นบ้าไปเลยดงนั้นอกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นถ้าหากว่ามันเกิดในสันดานของบุคคลใดมากๆมันก็จะเผาพลาญบุคคลเหล่านั้นซึ่งถ้าหากว่าผู้ที่ยังดับกิเลสเป็นสมุทเฉธาหานไม่ได้ ภัยเหล่านี้ให้คํานึ่งแค่ว่ายังไม่พ้นจากเรานถ้าจุติจิตวันนี้นะพรุ่งนี้เกิดที่ไหนถ้าเกิดในเมืองไทยเนี่ยจะไปเกิดอยู่ตรงไหนใช่ไหมเอาเกิดเมืองไทยเลยยกให้เลยถ้าเกิดเป็นในกรุงเทพจะไปเรียนที่ไหนศึกษาอะไรพระธรรมนี่จะศึกษาอย่างไรเนะพราะแม้แต่การเกิดในภพต่อๆไปเนี่ยของอมาเนี่ยกลัวนะถ้า ใจจริงๆเนะี่ยกลัวการเกิดในยุคหน้าที่สุดเลยยิ่งกว่ากลัวป่าช้านะให้ไปอยู่ป่าช้าไม่น่ากลัวเท่าเกิดใหม่มาในยุคหน้าเพราะว่าขนาดเราเกิดมาในยุคนี้พระธรรมคําสอนเนี่ยก็พระไตรปิฎกก็มีกระจายอยู่ทั่วไปกว่าจะได้ศึกษาก็ตั้งหลายปีนะถ้าหากว่าไปเกิดอยู่ในบางถิ่นบางบางแห่งเนี่ยโอกาสที่จะศึกษาไม่มีเลยเมื่อการศึกษาไม่มีเนี่ย มันไม่มีโทษใดที่ร้ายแรงยิ่งกว่าความไม่รู้หรอกมันอวิชชาเนี่ยมีโทษมากมายมหาศาลเพราะมีอวิชชาเนี่ยเป็นเครื่องกลางกางั้นทิฐิก็เล่นงานทันทีเลยเพราะความไม่รู้ทําให้มองเห็นบาปนี่ว่าเป็นบุญอเอามองเห็นทิฏฐิเนี่ว่าเป็นข้อปฏิบัติอะ่ะแล้วก็หมกมุ่นผูกพันอยู่กับทิฐิอันนั้นแล้วก็ยินดีด้วยนะประทับใจในทิฐิอันนั้นมาก ใครมาพูดาพาดพิงถึงทิฏฐิอนันตปั๊บเนี่ยโทสะจะเกิดขึ้นทันทีเลยแล้วก็จะหวงจะกั้นอันทิฐินั้นเป็นเป็นกิเลสที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เยียวยามไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นเจ็ดชวนะะถ้าเจ็ดชวนะแล้วพระพุทธเจ้าพันองค์ก็แก้ไขไม่ได้เที่ยงแท้ที่จะไปสัวบายะเที่ยงแท้ที่จะต้องอตกโลกันตรนรกเลยทั้งพระองค์แก้ไขไม่ได้เพราะนั้น สวรรค์นีพานเนี่ยกั้นหมดเลยในชาตินี้นะแต่ชาติต่อไปถ้าเจอกลลยานามิตรก็แก้ได้แต่ยากมากยกตัวอย่างเช่นสุนัขะตะลิชวิบุตรเนี่ยสมัยในอดีตชาติก็เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิสมัยมาเกิดในยุคของพระผู้มีพระภาคของเราเนะแกก็ยังมีทิฏฐิเหมือนเดิมอีกแนวความคิดยังไม่เปลี่ยนแปลงมิจฉาทิฐิเนี่ยถ้าได้ปัจจัยปั๊บจะเกิดขึ้นง่ายมาก ขอขอบคุณนะเดี๋ยวท่านต้องหวงหวงหวงคอท่านไวหน่อยครับท่านยังไม่ค่อยหายดีนะอ่าตัวนี้เรามาดูโยคะอีกตัวนะภาวะโยคะนะก่อนหนึ่งต้องเข้าใจก่อนนะครับตัวนี้ถ้าแปลอย่างง่ายๆที่สุดเข้าใจง่ายสุดคือการเกิดใครชอบเกิดอีกนั่นแหละนะใครชอบสวรรค์ชอบพรมชอบเกิดมาเป็นคนอีกนั่นแหละคือ คือชอบพบแล้วนะนะการที่เราชอบเนี่ยเป็นการติดอย่างหนึ่งนะทําให้เราออกจากวัตฏะไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะจึงชื่อว่าภาวะโยคะนะครับภวะโยคะก็เหมือนกับข้อความก็เหมือนกันนะครับคือเราไม่รู้การเกิดการดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกจากพบนะครับเมื่อไม่รู้เราก็ยินดีเพลดิดเพลินในพบยินดีในพบเพลดิดเพลินในพบนะครับอ่ะ สยบในภพหมกมุ่นในภพกระหายในภพกลัดกลุ่มในภพนะครับมัวเมาในภพนี่นะครับเรียกว่าภาวะโยคะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเกิดอีกก็นั่นแหละครับและไอ้การอยากเกิดอีกเนี่ยนะมันอยู่ในใจเราเหมอนกันไนมะ่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากจะถ้ามองไม่เกิดนี่ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะนะนะนี่มันก็เป็นสิ่งที่ผูกอย่างหนึ่งนะครับ ตอนนี้ลองดาวดูนะว่าถ้าอาวิชายคะเนี่ยเราไม่รู้การเกิดไม่รู้การดับไม่รู้คุณไม่รู้โทษของอะไรลองดาวดูที่ครับเมื่อกี้นี่กามใช่ไหมเราไม่รู้การเกิดการดับคุณโทษของกามพบเราไม่รู้การเกิดการดับคุณโทษของพบเมื่อพูดถึงทิฏฐิเราไม่รู้การเกิดนนาาาการกดับโทษการสลัดออกของทิฏฐิแต่พออวิชายคะนี่ เราไม่รู้การเกิดไม่รู้การดับหรือไม่รู้อะไรเหมือนนี้ไหมครับลองเดาที่ครับอะไรครับก็อวิชาโยคะเป็นชัไหนนะครับบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่รู้ความเกิดไม่รู้ความดับไม่รู้คุณไม่รู้โทษไม่รู้ความสลัดออกแห่งแห่งอะไรดีแห่งอะไรดีเอาใครเดาที่เออฮัสวะเอาใครอีกครับผัดสายยตนาห ทั้งก็อยู่นั่นแหละคือขันห้านั่นแหละนี่ น, นะผัสสายยตนาหกนะครับตามความเป็นจริงนะเมื่อไม่รู้แจ้งเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงความไม่รู้แจ้งความเขลานี่โมหะใช่ไหมในผัสสายยตนาหกย่อมติดแนบใจนี้เรียกว่าอาวิชายาโยคะนะครับเมื่อไม่รู้ผัสสายยตนาหกตามความเป็นจริงนะครับก็ทําให้เกิด ความไม่รู้แจ้งความเข่าในภาษายตนาหกย่อมติดแนบใจนี้เรียกว่าอาวิชหายค่ะท่านขยันนิดหนึ่งไหมัดษายตนาหกนี่ก็เอาเอาอยี่นี่กว่ายักเกรงใจท่านนะก็อายตนาหกก็รู้อยู่แล้ ว, ลวนะะก็แบ่งเป็นคู่คู่คู่ ค, ค, คู่นั่นแหละนะะไรเะภายในายภายนอก น, นะ น, น, อนะนกี่เนี่ยมันเป็นอาจนะคู่คู่เช่นตากับสีเนี่ย เมื่อมันต่อมันเชื่อมกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมานี่เราก็เรียนมาแล้วนั่นแหละครับถ้าไม่รู้ไอ้สิ่งเหล่านี้นี่นะครับไม่รู้สีไม่รู้เสียงไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสไม่รู้หูไม่รู้ตาไม่รู้จมูกไม่รู้กายไม่รู้ใจนี่นะครับไม่รู้ธรำอารมณ์คือตูบแล้วไม่รู้ปรมัติธรรมสีไม่รู้ขันห้าไม่รู้อายุธนาสิบสองไม่รู้ถ้าสิบแปดไม่รู้นั่นแหะเหมือนกันทั้งนั้นแหะคือว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งนั้นแหละเนี่ยผัสสายยศนาหเนี่ยน เพราะว่าคำว่าภาษายตนาก็คือบ่อกเกิดแห่งอยตนาใช่ไหมอ่าบ่อกเกิดแห่งภาษาทั้งหกเนีบ่อกเกิดแห่งภาษาทั้ง6เนี่ยเราก็ค่อยไล่เป็นทวารอย่างเช่นพยายามคิดถึงสมมุติถขณะนี้เราเห็นอยู่ใช่ไหมอ่าเมื่อเราเห็นนั้นอะไรเป็นบ่อกเกิดแห่งภาษาทางการเห็นภาษาเพราะเป็นที่ประชุมประชุมของธรรมะสมอย่างใช่ไหมตาสีจิตเห็นอันนี้ประชุม ผัสสะทางตาอันดับที่หนึ่งนะเรียกว่าจาักขู่สัมผัสทีนี้เอาสูตรมาจับว่าอะไรเป็นเหตุเกิดแห่งผัสสะอะไรเป็นอัดถังคำมะคือความดับแห่งผัสสะอะไรเป็นเหตุเกิดนะผัสส า, ามีเพราะอะไรมีพเพราะผัสส า, ามีเพราะว่าสามอย่างนั้นครับเพราะสามอย่างนะเพราะสามอย่างมีนั่นแหละผัสสะจึงมีถ้าไม่มีสะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งผัสส า, ามีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ โอก็เหมือนกันนั่นคือการเกิดแล้วใช่ไหมครับสามอย่างนั่นคือสมุทัยะแล้วเจนพอนนั่นแหละคือสมุทัยังคะทีนี้ถ้าอัดถังคมะความดับก็คือก็จริงเรานั้นดับอถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งขาดไปเช่นตาเสียซะไม่มีภาพหรือขาดมนสิการซะจิตเห็นไม่เกิดเพราะจิตเห็นไม่เกิดปั๊บพัสะก็ไม่มีอันนี้คือความเสื่อมของพัสสะแล้วอะไรเป็นอัาธะของสิ่งเหล่านี้ อาศัยภาษะเนี่ยนะเคยยิ้มไหมเห็นปั๊บเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้สดชื่นอาศัยการยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่ามีความพอใจในการเห็นเนี่ยครับอัศาธาอันนั้นแหละคืออัศาธาทั้งทั้งตัวความยินดีด้วยและภาษะความน่ายินดีของภาษะด้วยนยะตัวจิตที่ไปยินดีด้วยตัวภาษะที่น่ายินดีด้วยอันนี้เรียกว่าอาาสทะครับมีอาทินวะไหม มีครับสีบางอย่างเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ใช่ไห ม, มวาเสตถีเถรีเนี่ยเป็นไงลูกตายใช่ไหมผัสส ะ, ะชนิดนั้นไม่เกิดต่อไปลูกตายแล้วจะไม่มีผัสสะในการเห็นลูกทุกไหมทุกครั บ, บทุกถ้าตาไม่ดีเนี่ยนะทุกไหมนั่นแหละหรือว่าจิตเห็นขาดมนัิการไม่ได้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าอันนี้ก็เป็นปัจจัยแห่งทุกข์แล้วตัวผัสสะเองนั้นเที่ยงไหม ไปเที่ยงครับไปเ่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เจ้า ท, นะทีนี้ถ้าอุบายเครื่องสลัดออกจะสลัดออกจากภาษะได้อย่างไรนะจะเนี่ยเราเห็นอยู่เนี้ยจะสลัดออกจากการเห็นได้อย่างไรตรงนี้น่าคิดครับนะออกได้ไหมออกออกได้ไหมได้ยังไงลงธาตุลงขันเลยโ อ, อสงคราะอ่ะสงเคราะอ่เอาเนี่ยนะเอาสงครามไปเลยอ่ะ ตาเป็นจักขายตนะสีเป็นรูปายตนะจิตเป็นมนายตนะภาษนะาเป็นธรรมายตน ะ, ตนะเออแล้วมันออกอยังไงอ๋อ แ, แล้วออกหรือยังอา่า<อ>น อ, อุบายเครื่องสลัดออกนะต้องไม่ลืมปริญญาสามเป็นต้นนะตัวปริญญาสามหรือตัวอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปด สิ่งเหล่านั้นคืออุบายเป็นเครื่องสลัดออกดังนั้นถ้าหากว่าเราเอาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดมาตั้งในชั้นต้นเลยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าธรรมะวิจัยตัวนั้นจะมิมาวิจัยพวกเรานี้วิจัยโดยยาตะปริญญาใช่ไหมวิจัยสิ่งเหล่านี้โดยยาตะปริญญาว่าภาษาเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างภาษานี้เพราะประชุมพร้อมของธรรมะสามอย่างใช่ไหม ก็มาวิจัยต่อไปว่าตาเนี่ยจากขายตนะอันนี้มีปัจจัยเท่าไหร่อีกครั้งหนึ่งสีเนี่ยมีปัจจัยเท่าไรจิตเห็นมีปัจจัยเท่าไหรผัสสะจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยตาเป็นปัจจัยอะไรแก่ผัสสะจากครูวิญญาณเป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยอะไรแก่ผัสสะสีเป็นปัจจัยอะไรแก่ผัสสะแล้วผัสสะเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปอีกนั่นแหละอันถ้ามีความรอบรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ว่าผัสสะ ชาติกุศลก็มีภาษาชาติอกุศลก็มีภาษาชาติวิบากก็มีภาษาชาติกิริยาก็มีถ้าภาษาที่เป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษถ้าภาษาที่เป็นกุศลก็ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขแต่ภาษาเหล่านั้นเที่ยงไหมไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะการวิจัยในถึงความไม่เที่ยงความบกพร่องความไม่มั่นคงไม่ถาวรของภาษาเป็นต้นเหล่านั้นเป็นปริญญาไหม นะตัวความรู้ตัวนั้นที่วิจัยลักษณะนั้นเป็น <Yeah. S 1> ตรีระณะปริญญาจนวิจัยมากๆขึ้นจนอย่างถึงเหตุเกิดและความดับถ้าได้ปัจจัยพร้อมภาษาก็เกิดหมดปัจจัยภาษาก็ก็หมดนะก็อยู่ลักษณะนี้ถามว่าถ้าเห็นเกิดละอะไรได้อ้าเห็นเกิดนี่ละกิเลสบางอย่างได้นะเห็นเกิดละกิเลสอะไรถ้ารู้เกิดดับจริงๆต้องบอกได้ ก็สกายะใชครับเห็นโดยความเป็นภาษานั้นเป็นคําพูดปฏิเสธส ก, กายะอยู่แล้วนะคําพูดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภาษานะภาษาเพราะปัจจัยเหล่านี้คําพูดตั้งแต่ต้นนี้บอกว่าภาษาปุ๊บคํานี้เป็นคําปฏิเสธส ก, กายะทิธิพูดว่าภาษาเกิดด้วยปัจจัยอันนี้ปฏิเสธผู้สร้างถ้าพูดว่าภาษานี้เกิดทําไมภาษาจึงเกิดะนะเพราะมีปัจจัยเกิด เมื่อกล่าวว่าภาษะเกิดขึ้นปั๊บละอุดเฉททิถิได้นะสูนไหมถ้าได้ปัจจัยพร้อมเขาก็ก็เกิดถามว่าเที่ยงไหมถ้าหมดปัจจัยเขาก็หมดเพรา ะ, ะนั้นถ้าเห็นเกิดละอุดเฉททิฐิถ้าเห็นเสื่อมละ ส, สตะัตตทิถินนะถ้าหากว่าการพูดถึงเรื่องอยานะชั้นสูงๆต่อไปก็ต้องมาเปรียบเทียบกับเรื่องกิเลสด้วยเพราะว่า พวกนี้เป็นประเภทเริ่มเป็นปหาณปริญญาในระดับนี้มันจะละอะไรได้บ้างไม่ใช่ว่าเกิดดับเฉยๆแล้วละอะไรไม่ได้สักอย่างเลยไม่ใช่นะถ้ายัางถึงเกิดดับปั๊บรู้อริยสัจไหมอ่านะไอเหตุที่มันทำให้ภาษามีนั่นคือสมุทยัทยสัจตัวภาษาเป็นทุกขสัจนะจะยังถึงอริยสัจด้วยเมื่ อ, อยังถึงว่าเพราะภาษา ภาษามีพ่อปัจจัยไอ้ปัจจัยที่ทําให้ภาษาเกิดนั่นแหละคือสมุทัยสัตว์ตัวภาษะเป็นทุกข์สัตว์ถ้าไม่มีปัจจัยภาษะมีไหมไม่มีมมอนนะัถ้าไม่มีปัจจัยไม่มีภาษะอันนั้นเป็นนิโรธสั์ข้อปฏิบัติที่มากําหนดรู้ภาษาและปัจจัยแห่งภาษะต่ อ, ตอไปอันนะรอบรู้ปัจจัยทั้งหมดแล้วก็ทําให้แจ้งอันนั้นเป็น มรรคศาสตร์หรือตัวปริญญาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพูดถึงคาว่าเกิดดับเป็นต้นจะต้องเข้าใจเรื่องอริยศัสตร์ด้วยถ้าพูดถึงเกิดดับแล้วไม่สามารถประชุมลงอริยศัสตร์หรือไม่สามารถประชุมลงปฏิจจสมุปบาทคำนั้นไม่เป็นไปตามแนวคำสอนแน่นอนเพราะว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรคือปัจจยัยเพราะมีสิ่งนี้คือตัวปัจจัยภาษะจึงมีขึ้นถามว่าภาษะมีพะอะไรมี สัมนวนก็คือใช้คําว่ารูปนามมีใช่ไหมนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายยตนะสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะอันเพราะมีสลายยตนะผัสสะจึงมีนั่นแหละแต่สลายยตนะส่วนใหญ่แล้วเป็นชาติเป็นวิบากและกรรมชรูปใช่ไหมเป็นวิบากและกรรมชรูปกรร ม, มชรูปนี้มีกรรมเป็นปัจจัยกรรมเหล่านั้นจะไม่ให้ผลเลยถ้าไม่มีตัณหาเป็นมารดา นะถ้าไม่มีตันหาการเห็นจะไม่มีเลยและจะไม่มีภาษาด้วยนะจนกว่าจะาวิจัยพวกนี้มั่นขนาดไหนจึงจะเริ่มอย่างถึงเหตุเกิดความดับถ้าหากว่ารู้เหตุเกิดความดับน้อยเราจะรู้อัศทะของภาษะน้อยนะถ้าหากว่ารู้เหตุเกิดความดับน้อยจะมีอาทีนวะในภาษาไม่ได้เราก็จึงยินดีในการเห็นงจึงยินดีในการได้ยิน ยินดีในการคิดเพราะไม่รู้ปัจจัยไม่รู้เหตุเกิดความดังเพระฉะนั้นถ้าหากว่าเราขาดการเรียนรู้ขาดการพิจารณาธรรมเหล่านี้นั้นอวิชยาโยคะจึงเล่นงานทันทีได้นะเขาบอกว่าสำนวนนักการพร น, านันเขาบอกว่าถ้าเฉยเสียข้างโง่วางเงินอนนนทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้สักอย่างเลยนะทําตัวเฉยเฉยซึมซึมไปอย่างนั้นอันนี้เสียข้างโง่คําสอนนี้กล่าวไว้อย่างนั้นเลย เพราะอาวิชานี่แหละมันปกปิดความจริงเหล่านี้ถ้าเราไม่ใส่ใจในคําสอนเหล่านี้เมื่อไหร่อวิชาเกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าอาวิชาเกิดขึ้นแล้วเนี่ย น, นะหัวหัวจักเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะอวิชาเกิดขึ้นหัวจักก็เกิดขึ้นวัฏทะทุกได้เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้เกิดอีกแต่ตามสมควรแต่สังขารจิตใจของเราเป็นไปกับสังขารชนิดไหนนั่นแหละคือชีวิตในอนาคตของเราต่อไป มาแจมแจ้งเลยครับก็ที่ตรงนี้มันหัวใจจริงนะมันเป็นหัวใจจริงๆและอธิบายที่ท่านอธิบายนี่นะครับไม่ทราบว่าท่านท่านจับซึงแค่ไหนหรือว่าไม่เข้าใจยังไงก็ไม่รู้เนาะนั่งเฉยเลยเอาตีว่าเข้าใจกันแล้วกันตอนท้ายนะของพระสูตรนี้นะครับคือโยคะสูตรนี่นะฮะ บ, บุ๊ค บุคคลผู้ยังละโยคะไม่ได้นุงนางด้วยธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปอากุศลนะอิลุงตุงนางเลยบุคคลผู้ยังละโยคะไม่ได้นุงนางด้วยธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปอากุศลเป็นสังกิเลตเป็นเหตุให้เกิดภบใหม่ประกอบด้วยความเร่าร้อนมีทุกข์เป็นผลทำให้มีชาติชรามรณะต่อไป เพราะเหตุนั้นเราเรียกบุคคลนั้นว่าผู้ไม่ปลอดจากโยคะนะโยคะเขมีนี่ภาษาภาษาบาลีท่านเรียกว่าอโยคะเขมีแปลว่าผู้ไม่ปลอดจากโยคะเราเราได้ชื่อนี้เปล่าครับแน่นอนมีชื่อเพราะเหมือนเหมือนกันทุกคนเลยนะอะโยคะเขมีนะครับก็นี่ก็เป็นอ่าเรื่องที่ มันแตกลูกแตกหลานลงไปจากนี้นะครับก็เป็นอันว่า เ, เป็นอันว่าพระวาสิถีเถรีนะได้บรรลุมรรคผลข้าพเจ้าถอนและละความโศกอันมีรหัสมีอารหัดเป็นที่สุดได้หมดแล้วเพราะข้าพเจ้ากำหนดรู้วัตถุที่ตั้งเหตุเกิดแห่งความโศกทั้งหลาย ตรงนี้น่าเห็นน่าสนใจเหมือนกันนะพระวาสิทธิ์ได้บอกว่าเพราะข้าพระเจ้ากําหนดรู้วัตถุที่ตั้งเหตุเกิดแห่งความโศกทั้งหลายตรงนี้หมายความว่าอย่างไงครับท่านลองลองดาวดูที่ที่ตั้งของที่ตั้งหรือเหตุเกิดแห่งความโศกทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าท่านสามารถกําหนดรู้วัตถุที่ตั้ง เหตุเกิดแห่งความโศกทั้งหลายได้จึงได้บรรลุพระอาหารหันต์คืออะไรครับวัตถุที่ตั้งไม่ได้เห็นเลยนะฮะอ๋อครูในผมอ่าน อ่านอีกเที่ยวนึงนะให้ตลอดเพราะว่ามันไล่มาอธิบายมาเป็นข้อ ข, อขอ้ใช่ไหมข้าพระเจ้าถูกความโศกเศร้าโศกถึงบุตรบีบคันมีจิตฟุ้งซ่านหมดความรู้สึกเปลือยกายสยายผมเที่ยวสมสารไปตามที่ต่างๆข้าพระเจ้าได้เที่ยวไปในถนนกองอยากเยื่อในป่าช้าในตรอกใหญ่และตรอกน้อยอดอดอยากอยากตลอดสมปีภายหลังได้พบพระสุคตผู้ฝึกบุคคลที่ยังไม่ได้ฝึก ตัดสรุด้วยพระองค์เองหาภัยแต่ที่ไหนไม่ได้กําลังเสด็จไปสู่กรุงมิถิลากลับได้สติแล้วเข้าไปถวายบังคมพระโคโดมพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมโปรดข้าพเจ้าด้วยพระกรุณาข้าพเจ้าฟังธรรมของพระองค์แล้วออกบวชไม่มีเรือนเพียรพยายามในคําสอนของพระาศาสดาทาให้แจ้งซึ่งบทธรรมอันรุ่งเรืองกเกษม ข้าพเจ้าถอนและละความโศกอันมีอรหัตเป็นที่สุดได้หมดแล้วเพราะข้าพเจ้ากำหนดรู้วัตถุที่ตั้งเหตุเกิดแห่งความโศกทั้งหลายได้ตอนทายนี่วัตถุที่ตั้งเหตุเกิดความโศกทั้งหลายได้เอในอัตถก า, ถานี่บอกไว้ยังไงนะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ท่านกล่าวว่าวัตถุเล่าคืออุปาทานขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งความสูงอ๋อแน่นอนหมายความว่าหมายความว่าพระเถรีองค์นี้เนี่ยได้กําหนดรู้ทั้งสามปริญญาแล้วในอุปาทานขันห้านั่นเองดูกไหมครับคือกําหนดดูอุปาทานขันห้าคือทุกขสันนั่นเองเนะ มีปริญญารู้ทั้งสามปริญญาเลยนะครับนะก็หมายความว่าปะหานะปริญญาเลยก็จึงได้บรรลุเป็นพระรหัสก็สูตรนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วขอย้อนไปที่ว่าได้กำหนดรู้วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโศกน ะ, ะ, ะเราต้องนึกถึงข้อความในอริยสัจในสัจจะบัพพะสติปัฏฐานสูตรกล่าวว่า ตัณหาเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งความโศกซึ่งเราก็รู้กันแหละตัณหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหน<ม>สิ่งใดเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ที่สิ่งนั้นแหละโดยความเป็นอารมณ์ด้วยนะโดยความเป็นอารมณ์เป็นต้นอารมณปัจจัยบางอย่างเป็นอารมณปัจจัยบางอย่างเป็นสหาชาตปัจจัยอันตัณหานั้นมีอะไรเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาก็มี สูตรก็คือตาใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธะธรรมารมณ์เป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่รูปเสียงกลิ่นรสโพธะและธรรมารมณ์ จากคูวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชี่ว yo, หาวิญญาณกายะวิญญาณจนถึงมนโนวิญญาณเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่วิญญาณเหล่านี้จากขูสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสเชีว yo, หาสัมผัสกายะสัมผัสและมนโนสัมผัสเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่สัพพัสะเหล่านี้ ภาษาในทาวารทั้งหกเวทนาจาักขู่สัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากจักขู่สัมผัสเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเวทนาที่เกิดจากคานะสัมผัสเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผันนะสเวทนาเหล่านี้เป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัญหาเมื่อจะเกิดก็อาศัย เวทนาเหล่านี้นั่นแหละรูปปัสสัญญาความจําในรูปนะตัวสัญญาที่จําในรูปสัท ธ, ธสัญญาจําในเสียงจําในเปลนจําในรถจําในผลิภัณฑ์และจําในธรรม ะ, ะความจําเหล่านั้นเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตัณสัญญาเหล่านี้เจตนาหนะรูปปัสสัญเจตนาเป็นต้นเป็นที่รักที่ชอบใจในโูก ตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่เจตนาเหล่านี้นะตัณหาเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาหกนะโรูประตัณหาสัทธะตัณหาเป็นต้นเนี่ยเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตัณหาเหล่านี้อีกเออตัณหายังชอบตัณหาเลยเนาะแล้วก็วิตกรูประวิตกเป็นต้นะนะจนถึงธรรมวิตกเป็นที่รักที่ชอบใจในโลก ตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่วิตกเหล่านี้วิจารณนะ์รูปปวิจารณ์เป็นต้นจนถึงธรรมวิจารณ์เป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่วิจารณ์ทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เป็นสมุทัยสัตวนะ์นี่คือเหตุเกิดแห่งทุกข์ทั้งหมดอันถ้าไม่มีโลภะกองทุกข์จะไม่มีแม้แต่กระทั่งความเศร้าโศกเสียใจยเป็นต้นก็ไม่มีทีนี้กล่าวต่อไปว่า ถ้าจะละละที่ไหนตันหาลนะการสำรอกตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือเป็นต้นนั่นแหละเป็นนิโรธสัตว์ถ้าจะละตันหาละที่ไหนใช้คำว่าละนะละภาษาบาลีว่าประหานะปะหาะมีกี่อย่างหนึ่งตทางข่าประหารสองวิขมพนป ะ, มมะประหารสาสมุเฉทประหารสี่ปฏิปัสธิประหาร สุดท้ายนิสรณะประหารประหานะทั้งห้าเหล่านี้หรือว่าประหาะเหล่านี้เนี่ยจะล ะ, ะประหาะคือการละละที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกเมื่อบุคคลเมื่อจะละตัณหาก็ละที่นั่นแหละจักสุเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกถ้าจะละตัณหาก็ละที่จักสุอานนะจักสุเป็นอารมณ์ของประหาะทั้งห้าได้ไหมนะ จักขู่เป็นอารมณ์ของตะทางค่าประหารได้ไหมเป็นได้อย่างไรเมื่อกี้กล่าวถึงปริญญาสามนั่นแหละเป็นอารมณ์ของตะทางค้าประหารจักขู่เป็นอารมณ์ของวิขมธนะประหารได้ไหมได้ไหมอาศัยจักขู่เจริญสมถะได้ไหมได้อย่างไรบ้างอันอนีนนะ้พิจรารณาโดยความปฏิกูลเป็นต้นปฏิกูมนมณสิการบพาก็ได้ าธาตุมณสิการบับพภะก็ได้ น, นะจะตุวธาตุววัฐ า, า, านก็ได้หรือจะต่อไปที่อนุสติก็ได้นีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถามว่าอนุสติได้อย่างไรบอกว่านึกถึงพุทธคุณใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้จักสุขตามความเป็นจริงตรัสรู้เหตุเกิดความดับอัศสสาธ า, าอาทีนะวะนิสรณะของจักขู่เป็นต้นตามความเป็นจริงพระองค์จึงปฏิญาณในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ ด้วยพระองค์เองและโดยชอบนะงนั้นถ้าในการละโดยต่ทางข้าประหารกับวิบัมพนะประหารเมื่อสองอย่างเนี่ยบริบูรณ์ดีสมุเทเชทฐประหารจึงจะเกิดนะอริยมรรคจึงจะเกิดเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นเป็นอากาศลิโกให้ผลไม่จำกัดการปฏิปัสสัตทประหารจะเกิดขึ้นทันทีสมุเทเชทฐประหารกับ ปฏิปสัสสติประหาร น, นั้นจะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยนิสรณ ะ, ะประหารก็คือพระนิพพานเป็นอารัมมณปัจจัยนะเป็นอารมณ์จึงประหารกิเลสเหล่านั้นได้นะอั น, นอาศัยจักสุกก็สา ม, มารถที่จะประหารกิเลสได้ทีนี้ยกตัวอย่างใช่ไหมธรรมะตั้งหกสิบข้อยกตัวอย่างจักสุกอย่างเดียวคนมีปัญญาเขาฟังหกข้อเขพอใช่ไหมที่เหลือเอาไปทําไงสาธุแจวเจว ยนะกขึ้นเปินะครับก็ท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายละเอียดลอเลยเนาะคือวัตถุเป็นที่ตั้งของโลภะเม่กันเถอะของตัณหาวัตถุหมายพวาะว่าวัตถุเป็นว่าที่เกิดที่เกิดของอะไรที่เกิดของ ที่เกิดของตัณหาก็คืออุปาทานอาคารธาตัวมันเองก็ยังเป็นที่เกิดของมันอีกด้วยตัว<อ>ตัณหาก็เป็นที่เกิดของมันด้วยจึงเป็นสรุปแล้วใ น, ในอุปาทานอาคารธาตทั้งหมดนั่นแหละเส็จพร้เพราะว่าแต่ เ, เป็นที่เกิดนี่โดยความเป็นอารมณ์ปัจจัยนะอะอันนี้ก็เทลีคาถาก็หมดลงแล้วนะครับเ ว, เวลายังไม่หมดใช่ไหมฮะ อ่เวลาไม่หมดไม่เป็นไรครับมีแถมให้อีกต้องเล่มนึงนะครับอืเอเวลายังไม่หมดผมเวลาผมฟังท่านผมเวลามันหมดเร็วเร็วนะอลองมาดูนะมาดูพระเถรีองค์นี้นะครับอ่านให้ฟังเพลินๆก็ได้ชื่อพระจันทาเถรีแมชื่อเพราะด้วยนะจันทาเถรีคาถานะครับ พระเถรีรูปนี้บำเพ็ญบารมีในพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสร้างสมกุศลเป็นอุปนิสัยแห่งพันิพานมาในภพนั้นนั้นรวบรวมธรรมะเครื่องปรุงแต่งวิโมกมาโดยลําดับนะธรรมะเครื่องแต่งวิโมกเหมือนกันนะครับนะครับวิโมกันหลุดพ้นนะครับมาโดยลําดับมียานแก่กล้าแล้วในพุทธุปะอ่านยากใช่ไหมเลยพุทธุปาบาทคือว่าในการนี้ ก็ถือปฏิสนธิในเรือนพ ร, รามณผู้ไม่ปรากฏชื่อในหมู่บ้านพ ร, รามณ์ตำบลหนึ่งนับแต่นางบังเกิดครอบครัวนั้นก็เสื่อมโพคะลงเรื่อยๆมานางรู้เดียงสาตามลำดับมีชีวิตอยู่อย่างลําเค็นครั้งนั้นเกิดอาหิวาตกโลกขึ้นในเรือนหลังหนึ่งด้วยโรคนั้นญาติของนางทั้งหมดก็พากันล้มตายไปหมด เมื่อสิ้นญาตินางก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ในที่อื่นต้องถือกระลาขอทานดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารคือภิกษาที่นางตระเวณไปทุกครอบครัวแล้วได้มาได้ไปยังสถานที่แจกข้าวของพระปตปตาจาราเทรีภิกษุณีทั้งหลายเห็นนางต้องทุกถูกทุกครอบงำก็เกิดกรุณา ให้นางเอิบอิิมด้วยอาจาระที่น่าจับใจนะการปฏิบัติต่อนางด้วยน่าจับใจอาจาระนะการปฏิบัติต่อขอทานเนี่ยนะด้วยน่าจับใจนะด้วยความเมตตาด้วยความนุ่มนวล น, นะครับด้วยอาหารที่มีอยู่ในที่นั้นนางจึงเลื่อมใสในอาจาระและศีลของภิกษุณีเหล่านั้นจึงเข้าไปหาพระเถรี ไหวแล้วนั่งหน้าที่สมควรตัวหนึ่งพระเถรีก็แสดงธรรมแก่นางนางฟังธรรมแล้วก็ยิ่งเลื่อมใสในคำสอนและเกิดความสังเวชใจในสังสารวัตรจึงบวชนะครับขั้นบวชแล้วก็อยู่ในโอวาทของพระเถรีเริ่มตั้งวิปัสนาประกอบภาวนาเนืองเนืองเพราะเป็นผู้บำเพ็ญบารมีไว้ และเพราะยานแก่กล้าไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีพิจารณาการปฏิบัติของตนจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าแต่ก่อนข้าพระเจ้าเป็นคนเข็นใจเป็นไม้ไร้บุตรปราศจากมิตรไม่ได้ความบริบูรณ์แห่งอาหารและผ้าถือภาชนะและท่อนไม้เที่ยวขอทานนะ ถือกระลาแล้วก็ยังมีท่อนไม้สำหรับไว้คอยไล่สุนัขอะไรเน่นะครับจากครอบครัวนหนึ่งไปสู่ครอบครัวนหนึ่งผูกความหนาวความร้อนเบียดเบียนเที่ยวขอทานอยู่เก็บไปต่อมาภายหลังข้าพเจ้าได้พบพระปัจจาราเถรีภิกษุณีผู้ได้ข้าวน้าภิกษุณีผู้ได้ข้าวน้ำอยู่ น่าจะเป็นผู้ให้นะได้ข้าวน้ําอยู่เป็นปกติจึงเข้าไปบอกขอบรนประชาไม่มีเรือนท่านพระปัจจาราเถรีนั้นกรุณาข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าบรนประชาตอนนั้นก็สั่งสอนข้าพเจ้าประกอบข้าพเจ้าไว้ในประโยชน์อย่างยิ่งหมายความไงครับประกอบข้าพเจ้าไว้ในประโยชน์อย่างยิ่งคงจะสกิรูบ้างนะเพราะอาจารย์พูดบ่อยๆประโยชน์อย่างยิ่งอะ ประโยชน์มีสามอย่างอ่ะมีอะไรมั้งครับมีตั้งแต่ทิฏฐธรรมนะทิฏฐธรมมิกระทประโยชน์นะในชาตินี้ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ในสัมภรยาสัมปรายิกกระประโยชน์ปรมาถประโยชน์นี่หมายความถึงปรมัตถประโยชน์นะประกอบข้าพเจ้าไว้ในประโยชน์อย่างยิ่งนี่ยข้าพเจ้าฟังคําของท่านแล้วได้กระทําตามที่ท่านสอน โอวาทของพระแม่เจ้าไม่เป็นโมคะปล่าประโยชน์ข้าพเจ้ามีวิชาสามไม่มีอาสวะอจะเห็นว่าขอทานเจ็ดปีเนี่ยนะเนี่ยชาติสุดท้ายอย่าประมาททีเดียวนะเราเนี่ยชาติสุดท้ายถ้าเป็นขอทานแล้วบรรลุเอาไหมขอเยอะทุกวันไงยังไงเออ วันนี้ก็ได้วิชาสามเนี่ยนแต่ว่านประทับใจผู้สอนนะนะผู้สอนก็คือพนางปตาชราเทรีนะปะตาชาราเทรีนี่ก็คนดังอยู่แล้วเนาะรู้จักกันทุกคนเนาะอ่าที่เจ้าของวาทะว่าเพราะว่าพ่ อ, อลูกก็ตายเหมือนกันสองคนนะตายสามีก็ตายพ่อแม่พี่ชายก็เผาเชิงตะกรเดียวกัน แล้วก็บ้าเลยร้องแต่คํานี้ไปที่ไหนก็ร้องแต่คํำนี้สังเวชใจมากนะลูกก็ตายสามีก็ตายพ่อแม่พี่ชายกับเขาเชิงตะกรเดียวกันน่ะนะก็ร้องไปอย่างเงี้ยจนไปเจอพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็ตรัสว่าจงได้สติมาเถิดน้องหญิงนะก็เลยฟื้นจากความเป็นบ้าพอมาจากบ้าแล้วก็พระองค์ก็แสดงธรรมก็บรรลุเป็นพระโสดาบาันบวชไม่นาน ตักน้าเนี่ยรดเท้าอ่ะนะรดครั้งที่หนึ่งมันก็ซึมไปได้หน่อยหนะึ่งเรียกว่ามันมันหน้าหน้าร้อนเะนี่ยรดครั้งที่สองมันก็ไหลเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งรดครั้งที่สามก็ไหลเลยไปอีกหนึ่งนางก็พิจารณาถึงว่าน้ำที่ราดรดไปครั้งแรกใช่ไหมมันก็ซึมไปได้หน่อยเดียวก็เปรียบเหมือนกับสว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาบางคนก็ตายตั้งแต่อายุน้อยเนขาล้างเท้ า, าท่ายังสังเวชใจเลยเนาะ พวกเราเนี่ยก็ล้างกันเท้าจะแฉะแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแสดงว่าเมื่อก่อนยังไม่ได้นัยะมาใช่ไหมวันหลังจะขึ้นบ้านล้างเท้าปับ๊บที่เรณาเลยเพราะว่ารัศดระรถครั้งที่สองก็ไหลไปอีกหน่อยก็เหมือนบางคนถึงว่าไม่ตายในวัยเด็กก็จะต้องตายในวัยกลางคนนะบางคนก็เลยลงไปก่อนนั้นอีกก็เหมือนการถราดรน้ําครั้งที่สามก็ตายในวัย ปลายคนแต่ว่าสรุปว่าสาตทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยตายแน่แต่สมควรแก่แก่ปัจจัยใช่ไหมว่าปัจจัยแห่งการดำรงอยู่ของรู ป, ปรกายนี่มีอะไรบ้างปัจจัยที่ทำให้ดำรงอยู่แห่งรู ป, ปรกายหนึ่งนะกรรมจิตอุตูอาหารถ้าเราเรียนพระพิธรรมมาแต่ถ้าพระสทูทั่วไปถ้ามหาภูตรูปสี่อย่างใดอย่างหนึ่งกาเริบนะ กายนี้ก็อยู่ต่อไปไม่ได้ถ้ามาภูตรูปทั้งสี่นี้มีความสมดุลกันกายนี้ก็จะอยู่ได้อีกนานถ้าธาตุดินกำเริบมากเอามาพลึกเอามาพลาดก็เล่นงานแล้วธาตุน้ำกำเริบมากหนองฝีเป็นต้นก็นไหลออกทั่วกายแต่ถ้ า, ถาธาตุไฟกำเริบมากไขรก็จะขึ้นแรงธาตุลมกำเริบมากก็เอือกอากอากันนั่นแหละใช่หทั้งขึ้นเบื้องบนทั้งลงเบื้องต่ำนี่แหละมั น, น, นทุกทรมานน่าดึกันนะนั่นแหละ มาพูทธรูปถ้าสมดุลกันอยู่กายนี้ก็จะอยู่ได้อีกนานแต่ถ้าหากว่าขาดความสมดุลอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก่อพิษเพราะว่ามหาพูทธรูปพระองค์อุปมาเหมือนกับอสรพิษของอมามยังกัดเลยนะกัดที่คอเลยเปโตรธาตุกั ด, กดทีนี้ถ้าในมหาพูทธรูปเหล่านั้นเนี่ยมันวิบัติกายนี้ก็วิบัติด้วยแล้วก็ยังไม่พอใช่ไหมว่ากายเหล่านี้อยู่ด้วยอาหาร รถที่มันวิ่งเหมือนกับไม่หยุดไม่หย่อนเพราะเติมน้ามันตลอดของเราก็เหมือนกันดูเหมือนกับว่าจะยั่งยืนนิรันดรแต่เราเติมน้ามันตลอดนะก็คือให้อาหารอาหารหนึ่งมื้อเนี่ยสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ต่อได้อีกเจวันนะแต่ละมื้อเนี่ยเจวันมันก็เหมือนเพิ่มไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เข้าไปอุปถามคาจุกกายนี้นะถ้ารูปกายตั้งอยู่ได้นามกายก็ตั้งอยู่ได้ เพราะรูปประกายกับนามกายนี่เป็นของคู่กันะเหมือนกับเรือกับคนที่เดินทางในเรือนะทั้งเรือทั้งคนเดินทางก็สัมพันธ์กันอ่าแล้วก็ชีวิตของศาตว์ทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งก็คือดารงอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกถ้ายังมีออกซิเจนอยู่ก็ยังยังอยู่ได้อีกนานโขมเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าลมหายใจเข้าออกเป็นต้นหมดไปกายนี้ก็ก็หมดไปหายใจออกอย่างเดียวเลยนะไม่เข้าเลย ก็ตายแน่ถ้าเข้าอย่างเดียวไม่ออกเลยก็ตายแต่ว่าหายใจเข้ากับหายใจออกอย่างสมดุลกันนะจึงไม่ตายไม่ว่าแบบเอไม่ต้องหายใจเลยนะเขาเสียบสายยางเอาวะไม่เอาเนานนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะกายนี้เป็นไปได้ก็เนื่องจากจิตนะั้นอาศัยจิตเป็นปัจฉาชาแต่ปัจจัยเป็นต้นเนี่ยหล่อเลี้ยงกายไว้ ทั้งทำจิตตชรูปด้วยอุปธรรมรูปที่เกิดก่อนด้วยก็จิตเนี่ยมันเกิดอย่างต่อเนื่องไปในลักษณะนี้มันก็ยังหล่อเลี้ยงกายอยู่ต่อไปแต่ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ดำรงอยู่ได้ด้วยจิตดวงเดียวนะถึงพรหมมีอายุแปด0ม่นสี่ันมหากัรก็ดำรงได้อยู่จิตขณะเดียวเท่านั้นเองอันจิตแต่ละขณะนี้สืบเนื่องกันไปสืบเนื่องกันไปอยู่อย่างนี้ นั้นความตายของสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่ามีจิตอีกชนิดหนึ่งซึ่งมาเกิดขั้นในระหว่างซะจบกันเลยนะก็เหมือนกับไฟดับนั่นแหละถ้าจุติจิตเกิดระหว่างขั้นแต่ทีนี้ก่อนที่จุติจิตจะเกิดเนี่ยนะมันจะมีกรรมมณิมิตคตินิมิตนะและ้วก็อมมะไรอีกนิมิตหนึ่งกรรมกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตจะเกิดขึ้นก่อนและจุติจิตก็จะเกิดนะกรรมมอารมณ์กรรมนิมิตคตินิมิต อชาวนะตรงนั้นเนี่ยบอกถึงว่าที่ไหนนะจะไปไหนต่อนะก็ช่วงนั้นเป็นช่วงต่อรถละนะหรือว่าตรงนั้นเนี่ยนะเป็นเหมือนกับนายหน้านายหน้าเนี่ยมาติดต่อเราล้ว่าจะไปไหนดีถ้านายหน้าดีก็ค่อยยังช่วยหน่อยพระองค์บอกว่าถ้าจิตเศร้าหมองทุกขติหวังได้นี่กับตัวใครกับตัวใครละนะเศร้ามองหรือว่าผ่องแพ้วเนี่ยช่วยกันได้ไหม นะถ้าหากว่ามีกัลยาณมิตรก็พอได้แต่ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมจริงๆถึงมีกัลยาณมิตรถ้ากรรมหนักหนาจริงๆก็กัลยาณมิตรก็ช่วยอะไรไม่ได้อนะถ้าหนักจริงๆนะทําไมพระพุทธเจ้าไม่ไปให้กรรมะอารมณ์กรรมนิมิตคตินิมิตอารมณ์แก่พระเทวทัตพระพุทธเจ้ารู้ไหมว่าพระเทวทัตจะถูกแผน่นดินโซรู้ แต่ว่าหนักเกินไปพระพุทธเจ้าก็ยังช่วยไม่ได้นั้นของเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่าเรานั้นขาดการุณาหรือขาดเมตตาต่อตัวเองเราก็จะปล่อยจิตเป็นต้นนี่ให้หมกมุ่นไปกับบาปอากุศลอะแล้วอกุศลมันให้ผลนะร้องเรียกเอาจากผู้ใดนะพระองค์ตรัสว่าผู้ที่ก่อกรรมทําอกุศลไว้มากๆ ต, ต้องตายแล้วไปสู่อบายทุกติวินิบาตเนี่ยถือเป็นความสูญเสียยิ่งกว่านักเลงการพนันนักเลงการพนันที่ไปเล่นการพนันแล้วเสียครอบครัวนะเสียบุตรเสียลูกเสียเมียเสียทรัพย์สินเงินทองการสูญเสียอันนั้นยังไม่ถึงไม่ถึงความสูญเสียเสี้ยวหนึ่งของผู้ที่ประกอบกรรมชื่อแล้วไปอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะว่าเมื่อไร จะได้เท่านี้อีกนะเมื่อไหร่จะได้มีกรร ม, มชรูปที่เป็นมนุษย์เมื่อไหร่จะได้มีปฏิสนธิจิตที่เป็นทวิเหตุหรือติเหตุแบบนี้นะแล้วเมื่อไหร่จะได้มีขณะพบพระพุทธศาสนาเมื่อไหร่จะได้มีจิตใจที่มีศรัทธาแบบนี้เพราะเรานี้สะสมมาทุกอัธยาศัยใช่ไหมนะอัธยาศัยโกรธก็ไม่น้อยโลภก็ไม่เบาโง่ก็ปกตินั่นแหละ ถ้าพวกนี้มันให้อุปนิสัยมันรุนแรงนะชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องร้องหาความยุติธรร ม, มแมลงที่มันบินว่อนต่อหน้าเนี่ยไม่ร้องไม่รู้จะร้องหาความยุติธรรมจากผู้ใดนั่นนะชีวิตของเราเนี่ยเป็นผลของบุญรรกจึงมีผู้ยังสนใจเป็นผู้ที่มียังเห็นใจมีคนกรุณาเป็นต้นเพราะของเก่ามาดีแต่ทีนี้ว่าของเก่ารักษาได้ไหมก็เหตุปัจจุบันแต่คือในขณะนี้ พระธรรมาก็เชื่อว่าโยมก็ไม่ประมาทแล้วละจึงได้มาศึกษาอย่างนี้แต่ว่าไม่ควรที่จะหยุดอยู่แค่นี้ถ้าศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วมาจบแค่นี้น ะ, ะน่าจะไม่พอน่าจะมากกว่านั้นในชีวิตวันหนึ่งของเราตั้งแต่เช้ายันค่ำวันยี่บสี่ชั่วโมงกุศลจิตเราเกิดได้กี่ชั่วโมงในยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยแล้วเรามาคานวณ ว, ว่าชีวิตของเรากี่ปีแล้วอกุศลจิตเนี่ยกี่ชั่วโมง แล้วคุณรลจิตเราเกิดได้กี่ชั่วโมงใช่ไหมบวกลบคูณหารว่าจะไปไหนดีนั่นแหละไม่ใช่ใช ว, ว, ว่าฟังทำวันเดียวแหมจะสวรรค์อย่างเดียวเลยนะาบาปไปทิ้งไว้น้อย <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคำสอนพุทธโอวาสแม้แต่พระองค์จะดับขันธปรินิพานก็ยังกุกทรงตรัสว่าอัปปมาเทนะสามปาเทธาตินะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ความไม่ประมาทก็คืออยู่ไม่ปราศจากสติคำว่าอยู่ไม่ปราศจากสตินั้นวิสติเป็นเครื่องเป็นเหตุให้วินิจฉัยได้ให้วินิจฉัยถึงว่าขณะนี้เป็นขณะที่จะต้องรีบเร่งสร้างความเพียรโอกาสแบบนี้จะมีอีกไหมโยมผู้การนี้โอกาสแบบนี้จะมีอีกเมื่อไรใช่โอกาสแบบนี้เนี่ยสมมตินนะหลายท่านจะจัดสังเวชใจค่อนข้างมาก ชั่วทั้งชีวิตนะอย่างยิ่งยิ่งไปที่อีสานบางแห่งก็บอกว่าผมนี่อายุหกเจ็ดสิบปีเนี่ยท่านอาจารย์เขาบอกผมเพิ่งฟังธรรมนี่แหละนผมเพิ่งมาเข้าอนุบาลวันนี้เองอ่ะก็คือที่จริงก็ไม่ได้ฟังลึกซึ้งอะไรแค่ฟังเรื่องว่าเออบุญมันมีบาปมันมีเท่านั้นเองแกบอกว่าผมเพิ่งมาเข้าอนุบาลชีวิตของผมเนี่ยห้าสิบกว่าปีแล้วผมไม่เคยได้อะไรเลยเนะปรากเขาว่าว่า ชีวิตของของคนส่วนหนึ่งเนี่ยนะถ้าเขาไม่บาปเขาไม่โตนะครับว่าลักษณะเนี่ยนะเพราะนั้นเขาเนี่ยจะทำบาปมาขนาดไห น, นชั่วระยะเวลาห้าสิบปีนะปานาทิบาตนี่จะกี่ตัวใช่ไหมแล้วแล้วเขาเหล่านี้เนี่ยที่ทำเหตุขนาดเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนที่ดูแล้วเราทั้งหลายว่าเออชาตินี้บางคนบอกว่าฉันทำกรรมมาไม่มากนะักอากุศลมาไม่มากแล้วสังสารวัตอันยาวนานชาติที่แล้วไปทาเหตุอะไรไว้บ้าง แม้แต่กรรมในแสนโกรธกลับที่แล้วยังมาให้ผลได้นะกรรมในอดีตแม้แต่แสนโกรธกลับมาแล้วก็ยังมาให้กรรมมะอารมณ์เป็นต้นแก่ชีวิตในการปฏิสนธิต่อไปในภพหน้าอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสังสารวัตเป็นชีวิตที่เป็นไปตามกระแสแห่งวัฏะเมื่อชีวิตเหล่านี้เป็นไปตามกระแสแห่งวัฏฏะเราประมาทไม่ได้ ถ้าเราประมาทนะพระองค์จึงบอกว่าผู้ที่ประมาทคือคนที่ตายแล้วนะผู้ประมาทคือคนที่ตายแล้วเมื่อไหร่ที่เราปล่ประมาทปล่อยใจไปกับอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเชื่อเถอะว่าชีวิตขนาดนั้นของเราเหลือแต่ลมหายใจนะที่เป็นผลของส่วนหนึ่งที่เป็นผลของกรรมดีที่เหลือเป็นไปกับอกุศลดังนั้นอกุศลเนี่ยนะกรรมนี้เขายุติธรรมนะเขาซื่อสัตย์เสมอคุณกล้าคิดไม่ดีฉันก็กล้าให้ผลเหมือนกันนะ เขาก็บอกเอาอย่างนี้นะนั่นแหละพระองค์จึงเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องของกรรมเป็นอย่างดีพระองค์จึงสอนกรรมอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิน้นกรรมคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดแต่บอกว่ามันยากเหลือเกินถามว่ามีวิธีอย่างอื่นอีกไหมที่มันง่ายกว่านั้นถ้ามีที่ง่ายกว่านั้นพระพุทธเจ้ามีกรุณาไหม แล้วทาไมไม่สอนวิธีที่ง่ายกว่านั้นนั่นแหละก็นี่แหละง่ายที่สุดแล้วที่พระองค์ทรงแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยพระองค์นั้นมีมหากรุณาที่คุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายยิ่งเหมือนลูกของท่านเลยเนะท่านน่าจะเปิดหนทางที่มันง่ายกว่านี้ให้เราใช่ไหมแบบที่รัฐที่สมัยใหม่ตั้งขึ้นมาง่ายๆว่ะมันมีหนทางรับอีกนะซึ่งมันง่ายกว่านั้นอีก ของอารมาส่วนตัวแล้วพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณที่สุดหาประมาณนี้ได้แต่พระองค์แสดงว่าสัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธิ์ได้โดยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดอันอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเท่านั้นแหละที่จะเป็นหนทางเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ทั้งหลายถ้าเรายังเชื่อว่ามีหนทางอื่นอีกไปเถอะพระพุทธเจ้าบอกว่าหนทางอื่นเนี่ยพระองค์เดิน มาหมดแล้วปฏิบัติมาหมดแล้วแต่พระองค์ไม่ไม่สิ้นจากวัตทุกขแต่เมื่อพระองค์มาปฏิบัติตามอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั่นแหละพระองค์จึงพ้นจากวัตทุก์แต่ว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั้นขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิขึ้นต้นด้วยกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐินะงนั้นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิให้แม่นไว้ก่อ น, นันถ้าหากว่าเราเสื่อมจากกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินี้แสดงว่าเรานี่ตกจาก พระศาสนาถ้ากรรมสักตาสมาธิทิฏฐิไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในพุทธศาสนาแน่นอนครับก็เวลาหมดพอดีนะครับบมื่อเกิดเมื่อวันเมื่อวนานเมื่อสอวันผ่านมาได้ฟังเรื่องเขาพูดกับเรื่องพุทธศาสนานะฮะก็มีผู้เชี่ยวชาญคนเขาบอกว่าได้มีการสุ่มตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะหาความเห็นว่าคนเชื่อกำรรไหม แล้วคนเชื่อว่าชาติหน้าชาตินี้มีไหมหรือว่าตายแล้วศูนยเนี่ยปรากฏว่าบ้านเรานะคนธรรมดาก็เจ็ดสิบเอร์เซ็นตไม่ไม่เชื่อว่ามีกรรมมีผลหรือว่าไม่เชื่อว่าตายแล้วเชื่อว่าตายแล้วศูนประมาณเจ็ดสิบเอร์เซนตแล้วก็อีกอีกสิบเอร์ซ็นตนี่ไม่แน่ใจนะแล้วมันต้องจะมีสักยี่สิเปอร์เซ็นยังไงนะที่ที่เชื่อนะ แต่เขากลับไปสุ่มตัวอย่างในพวกฝรั่งนะกลับตรงกันข้ามครับกับพวกนั้นมีความเชื่อสูงมากกว่าเราจํานวนคนที่เชื่ อ, อ, อแปลกนะแปลกจริงเพราะฉะนั้นนี่ศาสนาเรานี่ที่เขาสุ่มนี่เขาไม่ได้สุ่มจากคนธรรมดานะเขาสุ่มพวกปริญญาโทนะเขาสุ่มพวกปริญญาโทนะฮะ แล้วก็สูมจากคนธรรมดาด้วยนะครับแล้วตรงกันเลยประมาณ 70% เซเชื่อว่าศูนย์เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธแน่นอนครับแสดงแสดงให้เห็นหลายอย่างนะว่าคนส่วนใหญ่เชื่อแบบนี้เนี่ยมันแสดงหลายอย่างทีงเดียวว่าศาสนาพุทธเรานี่โอ้โหมันลิบลีจริงๆรับเวลาเขาบ่นแล้ว